พระธรรมเทศนาแผ่นที่49ลำดับที่7โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่3เมษายน2555มีชื่อเรื่องว่าจากเจ้าฟ้ามหากษัตริย์สู่สายปฏิบัติพระกรร ม, มฐาน วันนี้ก็เป็นวันที่วันที่3เมษายนพุทธศักราช2555วันนี้แต่เมื่อวานทางอำเภอได้มาแจ้งบอกว่าแต่ก็ยังไม่เป็นทางการเพียงแต่ว่าทางอำเภอมาทางจังหวัดเพราะวันที่16 17 18คงจะประทับสองวัน ตามรายงานของทางอำเภอส่งมาให้หลวงพ่อเมื่อวานนี้นะที่ทางอำเภอเขาประชุมกันเมื่อวานนี้แล้วก็อเอารายงานมาให้หลวงพอ่อหลวงพ่อก็ได้รับรายงานแต่ก็ยังไม่ไม่ใช่มาจากสำนักพระราชวังทีเดียวแต่ก็มาจากสายที่ท่านบอก ล่วงหน้ามาก่อนเพื่อการเตรียมการเตรียมงานหลวงพ่อได้รับเมื่อวานเนี่ยเพราะนั้นให้ทางในครัวทางครัวพี่น้องก็คงจะเข้ามาวันพุ่งนี้แหละก็ามาเก็บใบมงใบไม้ทำความสะอาดอบริเวณคิดว่าจะเข้ามาวันที่สี่วันที่สี่วันพุ่งนี้วันที่สี่ที่ห้าจากนั้นก็ เข้ามากลางเต้นต์ก็คงเป็นวันที่10แต่ละเข้ามาแต่ละครั้งหลวงพ่อเองก็บอกทางอําเภอบอกว่าควรจะประสานมาทางครัวให้รู้จักจำนวนคนว่าวันนี้คนจะเข้ามาเท่าไหร่เพื่อจะได้ทางครัวจะได้จัดอาหารให้ถูกต้องพวกในครัวก็ช่ว ย, วยกันดูนะหรือว่ามีความอะไร อยากจะให้ชาวบ้านมาช่วยทางอำเภอเขาก็ยินดีเขาจะจัดมาวันละหนาคนพอไหมเราก็ต้องวางแผนให้ถูกเลเจ้าของบ้านเราเป็นเจ้าของบ้านต้องวางแผนการล้างถ้วยล้างชามการจัดอาหารเพียงพอไหมหรือจะเอาเด็กนักเรียนเข้ามาช่วยแต่ช่วงนี้นันกเรียนเาก็ปิดแล้ว ก็คงไม่มีปัญหาถึงจะปิดก็ครูบาอาจารย์เขาก็มีอยู่ก็คงจะบอกเขามาช่วยล้างถ้วยล้างชามาเสิร์ฟแขกผู้ใหญ่ที่เด็กที่มีามารยาทที่เด็กเขาชอบทางนี้นอันนี้ครับให้ทางในครัวประสานหรือมาประสานมาทางพระก็ได้ ดูควาประสานมาทางหลวงพ่อก็ได้แต่ว่าถึงยังไงทางในครัวเตรียมพร้อมพอสมควรอันนี้ก็คือการต้อนรับต้อนรับขับสู้พี่น้องในท้องถิ่นของเราเป็นอันดับแรกก่อนอันนี้ก็บอกให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะทายาิโยมทุกคนเป็นบุญเป็นกุศลเป็นเกียรติประวัติ ของวัดวาศาสนาเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเข้ามาสู่วัดวาศาสนาเป็นสิริเป็นมงคลต่อพระศาสนาในยุคใดสมัยใดพระเจ้าแผ่นดินให้ความสนใจเรื่องพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาก็จเจริญรุ่งเรืองในยุคนั้นพวกเราให้อ่านดูประวัติศาสตร์พญาอโศกมหาราช คองอินเดียท่านปกครองได้แบบเบ็ดเสร็จในยุคของพระองค์พระองค์ก็พัฒนาหรือว่าส่งเสริมพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนารุ่งโรจน์ที่สุดในสมัยพญาธรรมโุกพญาอสุกมหาราชแต่ข้าพูทที่ทำลายพุทศาสนามากที่สุดก็คือเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเหมือนกัน ให้พวกเราอ่านดูประวัติศาสตร์อีกเหมือนกันปรทธศาสตร์สนาย่อยยับจากอินเดียก็คือนี่แหละเจ้าฟ้าจอมแผ่นดินอีกเหมือนกันนี้พระเจ้าเจ้าฟ้าจอมแผ่นดินประเทศไทยทันธนุบำรุงพระพุทธศาสนายึดพระพุทธศาสนามาตาดึกดำบรรตังแต่กรุงสุโขทัยกรุงศรีอยุธยากรุงรัตนโกสินทร์สืบเนื่องมา พวกเราได้พระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเป็นทางด้านจิตใจมาตลอดทุกวันนี้ที่ พ, พุทธศาสนามั่นคงก็เพราะว่าเจ้าฟ้าเจ้าเป็นดินเป็นผู้พานำพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านกระทรงพนุดที่วัดบวรประกาศให้เห็นอย่างชัดเจนพระองค์เป็นพุทธมามะกะ เป็นศาสนูประถมพกยกย่องเฉิด ช, ชูพระพุทธศาสนานี่แหละนัว่าเป็นยกพวกเราเกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาคณะว่าเป็นบุญของพวกเราอย่างมากเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเป็นผู้มีอุปการะคุณอันนี้เราพวกเราท่านทั้งหลายไม่ควรจะมองข้ามเนีย่ยถ้าพวกเรา ได้นับถือเด้เลื่อมใสพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาอยู่คู่กับเมืองไทยทุกวันนี้ก็คือเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินท่านได้คิดไกลสมัยกรุงศรีอยุธยาแตกพระก็แตกกระหกกระเหินไปคนอธิตตางสมัยนั้นก็มีแต่สอนวิทยายุทธเรื่องฟันดาบอย่างไงเรื่องผ้าไปเจียดพันหัวอย่างไงอยู่ยงคงกระพันชาตรีอย่างไร เพราะว่ามันเป็นตามยุคตามสมัยแต่นี้พอมาถึงรัชกาลที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่นรัชกาลที่สี่พระจอมเกล้าโอ้พระพุทธศาสนานในหลักธรรมไปได้ศึกษาดูแลนี่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนี้นะาทำไมพระสงฆ์ยุคนี้สมัยนี้ทำไมเป็นอย่างนี้มันก็เป็นตามยุค เพราะกรุงศรีอุธยาแตกน ะ, ะก็มีแต่อยู่ยงคงกรัพันชาตรียังไงผ้าประเจด ย, ยังไงพันหัวยังไงฟันไม่เข้าแทงไม่เข่า อ, อยู่ยงคงกระพันเวทมนตลคาถาอย่างไรนะเอามาใช้ทั้งหมดเพื่อปกป้องประเทศชาติในยุคสมัยนั้นติในรัชการที่สี่ก็ท่านเขาเข้ามาบวชเออ ท่านบวชยังไงประวัติศาสตร์ของท่านท่านบวชด้วยความจำเป็นจำใจอันนั้นก็นเราก็ไม่ได้ว่าละแต่ถึงยังไงท่านเขามาบวชเพราะมาบวชท่านก็มาศึกษาในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าท่านว่าไม่ใช่ไม่ใช่ทางท่านก็ตั้งจิตอธิษฐานทาาพระพุทธศาสนายัางมีจะมีอยู่ต่อไปภายภาคหน้าให้ได้พบพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ อันนี้ก็คือแนวที่พวกเราได้ได้อ่านในประวัติศาสตร์จากนั้นท่านก็ได้พบพระองค์หนึ่งท่านก็มาแนะนำให้ฟังเกี่ยวกับสิทธิและวินัยให้ฟังแล้ท่านก็เขารบนับถือเรื่องใสในหลักธรรมวินัยที่พระท่านนั้นแนะนำพระองค์จากนั้นพระองค์ก็ได้ยึดหลักธรรมคำสอนเนาะ ทันกยัตติเป็นธรรมยุทธ์เนะี่ยรัช ก, การที่สคล้ายๆกับว่าฟื้นฟื้นคำสอนของพระพุทธศาสนาขึ้นมานะให้พระอยู่ในหลักพระธรรมวินัยเพราะสมัยนั้นเละเพราเหตุอะไรเพราะไม่มีไม่รู้จะปกครองอยังไงเหมือนกับประเทศญี่ปุ่นอ ป, ประเทศญี่ปุ่นสมัยก่อนก็นท่านก็เป็นมหายาน พอต่อมาไปเจ้าแผ่นดินปกครองขึ้นมาก็เห็นว่าพระไม่มีครอบครัวไม่มีเมียพูดง่ายๆก็เลยให้พระมีเมียเพื่อจะได้ขายายพันประชาชนเพราะในส่วนพระมีเมียมันถอยไม่ได้ได้ทะนเ้ยมันก็เลยมีเมียกระทั่งทุกวันนี้ก็เยมันกับบุญผิดทํานองครองพุทธศาสนาไปเท่าน นี่แหละอันนี้พุทธศาสนาเนี่ยถ้าจะว่าไปทาไมมีใครฟื้นกลับคืนมาเนี่ยมันยากเหมือนกันติณรัชการที่สี่ถึงกับฟื้นเอ่อกับเขามาหาหลักพระธรรมวินัยอย่างเข้มงวดขวดขันตัวทั้งท่านเองกับพาปฏิบัติปนที่สุดก้ น, นั่นก็มีสายก็ยังมีอยู่ไม่ได้ออกมานอกหน้าก็มีสายหลงปูมั่นขึ้นมา เป็นธรรมยุทธ์จิเหมือนกันแต่ว่าก่อนที่หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นอจะออกมาเนี่ยหลวงพ่อว่าต้องมีอาจารย์ของท่านอีกที่ท่านแนะนําสั่งสอนในภาคปฏิบัติเนี่ยก่อนที่หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นศึกษามาจากใครอันนี้ต้องมีแต่นี้มันมีตำรับตําราไม่ได้เขียนเอาไว้สมัยนั้นก็ไม่มีใครเขียนดได้ศึกษามาแล้วก็จบไป แต่ท่านต้องมีตอนี้พอมาถึงหลวงปู่มั่นเนี่ยก็มีความเจริญขึ้นมาเลยต้องเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือบันทึกภาพอะไรออกมาจากนั้นหลวงปู่มั่นกับหลวงปูเ่เสาก็เป็นคล้ายๆว่าเป็นต้นยุคเลยก็นแนะนําสั่งสอนลูกหลานมาเป็นต้นตระกูลมาท่านก็พานําประพฤติปฏิบัติเดินทุดงเที่ยวทุดงไปที่ไหนต่อที่ไหนทุกหัวละแห่งของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางอีสานตะเหนือหลวงปูเ่เสาหลวงปู่มั่นและก็ข้ามไปฝั่งประเทศลาวก็เป็นที่ยอมรับเพราะเหตุไรเพราะทำคําสอนของท่านที่ออกมาเนี่ยเรื่องศีลก็ดีก็เข้าอยู่ในหลักพระธรรมวินยัยในพระไตรปิฎกศีลและวินยัยแล้วจากนั้นก็ทำสมาธิธรรมจากนั้นเกิดวิปัจฉนาธรรมสมถะและวิปัจฉนาที่หลวงปูเ่เสาหลวงปู่มั่นสอน พ่อแม่ครูบาจารย์พ่อแม่ครูบาจารย์สายเราคนยึดตามแนวแถวนั้นเถอะมาสอนแต่พอหลงปู่มั่นมรณะภาพหลงปู่เสารมรณาภาพอัฐิท่านและพระาธาตุของท่านก็ได้กลายเป็นพระาธาตุได้เห็นเป็นสกีพยานอีกด้วยความมั่นใจอีกว่าท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนท่านได้เป็นได้สำเร็จมรสําเร็จผลอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นอันนี้การสืบเนื่องมาจาก รัชกาลที่สี่ท่านไปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับคืนมาให้อยู่ในหลักพระธรรมวินัยแต่ถ้าว่าไม่มีพระเจ้าแผ่นดินพวกเราคิดดูให้ดีก็แล้วกันไม่รู้จะเละตุ่มเปะไปถึงไหนหากฎทาเกณฑ์ไม่ได้นี่แหละอันนี้แหละคือพอมาถึงรัชกาลปัจจุบันรัชกาลที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดท่านก็ยึดแนวแถว รัชการที่สี่พาดําเนินจากนั้นเชื้อพวงออกมาบวชในพระพุทธศาสนาก็มากแต่นั้นรัชการปัจจุบันพระองค์ท่านก็ทรงผนวดอีกให้ยึดแนวแถวพระพุทธศาสนานี่แหละพวกเราท่านทั้งหลายที่ได้นับถือพระพุทธศาสนาเนี่ยก็คือเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินพาดําเนินมาจึงได้มั่นใจเชื่อมั่น อันนี้ก็คือส่วนหนึ่งแต่พระองค์ท่านก็ได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติมากโครงการพระราชดำรินเท่าไหร่ถ้าเราได้ศึกษาพราะองค์ท่านแล้วเรียกว่าในหลวงของเราทำคุณคุณูปการต่อประเทศชาติในยุค ป, ปัจจุบันนี้มากมายมหาศาลไม่มีคนในชาติผู้ใดที่เจ็ดเทียมเท่าในการ ทำคุณให้ให้แก่แผ่นดินเพราะท่านมีอํานาจด้วยทั้งมีวาสนาด้วยทั้งมีน้าใจด้วยใช่ท่านมีวาสนาท่านมีน้ำใจถ้าก็ทำได้อะบบางคนนะ mm hmm. พอเป็นใหญ่ขึ้นมากิกนแผ่นดินก็ไม่ไม่รู้มากต่อมากเหมือนกันทำให้แผ่นดินล่มจมจิบหายเดือดร้อนไปทุกหัวและแหง่งปพ่าะอยเยพราะพระเจ้าแผ่นดินขาดคุณธรรมในจิตใจ อันนี้พระองค์พร้อมนะพร้อมทุกอย่างที่ท่านจะช่วยเหลือประเทศชาติช่วยเหลือพวกเราประสุกนิกรทั้งหลายให้ได้รับความร่มเย็นผาสุกนี่แหละอันนี้เราเกิดมาในยุคใดสมัยใดถ้าได้ผู้นําที่ดีผู้นําที่ดีมีศีลธรรมมีจริยธรรมมีคุณธรรมใน จ, ใจิตใจเราก็นณว่าเป็นผู้โชคดีอย่างมาก เกิดมาในยุคนั้นสมัยนั้นมีแต่ความร่มเย็นผาสุกแต่เกิดมายุคใดสมัยใดผู้นำมีแตก่กินซ้ายกินขวากินหน้ากินหลังคอรับชั่นกินคนในชาติทั้งหมดปกครองก็มีงแต่อาธรรมเข้ามาพวกเราคิดดูให้ดีกันแล้วกันในยุคสมัยนั้นมีแต่ความเดือดร้อนวุ่นไวายไปทั้งหมดอันนี้ก็คือาย พวกเราพวกเราอยู่ฝ่ายเราคิดดูทางฝ่ายบ้านเมืองฝ่ายปกครองแต่คิดในหลักของพระพุทธศาสนาเนี่ยอย่างพุทธศาสนาอย่างพวกเราเป็นพระกรรมฐานเราเราก็มองไม่เห็นองค์อื่นหลวงปู่มั่นพาปฏิบัติอย่างไรเราก็ได้ยินในประวัติท่านเป็นผู้แข่งนในทุดงอย่างไรหลวงปู่มั่นนะท่านแล่งในทุดงนะท่านบินเท่าบาท ไม่เคยขาดเลยปู่ล่าพูดให้หลวงพ่อนะท่านยังฉันอยู่ท่านต้องบินทบาททุกวันพอไปถึงไปบ้านน้องผือแล้วก็พอไปพอไปถึงนั่งผู้ใหญ่บ้านกขาเคาะกระโหลกกะลาปองปองปองไทยสัญญาณคนชาวบ้านเขาก็มาคอยอยู่แล้วถ้าใครไม่มาก็บอกครูบาอาจารย์มาถึงแล้วพอเห็นพระเข้ามานะเนี่ยเคาะล่ะคงที่ยังไม่พร้อมกูวิ่งล่ะ พอมาเสร็จแล้วก็หลวงปู่มั่นก็เป็นผู้พานาเดินบินธบาตรคล้ายๆกับเป็นกระต๊อบเป็นจุดพดเสร็จแล้วก็หลวงปู่มั่นก็นั่งชาวบ้านก็นั่งประนมมือหลวงปู่มั่นให้พรให้พรในหมู่บ้านเพราะชาวบ้านเขาไม่ได้ตามมาจังหันเนี่ยเขาใส่บาทให้ท่านเสร็จแล้วท่านก็พาพระสงฆ์กลับมามาฉันามาก็มีแต่โยมพุทธที่ว่าพุธ โยมผู้ติดตามดูแลอุปถัมประทากหลวงปู่มั่นเป็นคนที่ไว้เนื้อเชื่อใจเป็นคนรู้จักฉล า, าดเหมือนกันหลวงปู่ล่าบอกว่าโยมพุทธพอตู่พุทธผู้ใหญ่พุทพ่อปู่พ่ตาพุทธเนี่ยดูแลอุปถัมประทากหลวงปู่มั่นจะนั้นก็นดูแลพระสงฆ์เรับกระชงกมาชานันนี่แหละหลวงปู่มั่นบินธบาต ท, ทุกวันแต่พราะที่สุดหลวงปู่มั่นป่วย ป่วยไปถึงที่นั่นไม่ได้ไปถึงหน้าประตูวัดคนก็มาใส่ที่หน้าประตูวัดประหลงปู่ไปบินทบาตคนก็มาใส่ที่หน้าประตูต่อมาบินธบาตไม่ได้มาถึงศาลาคนก็มาใส่ที่หน้าศาลาใส่ที่หน้าประตูวัดหน้าศาลาที่จะขึ้นศาลาจากนั้นจนหลวงปู่มั่นบินธบาตไม่ได้ท่านจึงหยุดนี่แหละอายุ80สปีหลวงปู่มั่นท่านถือบินธบาตเป็นวัด ถ้าท่านฉันอยู่ท่านก็ต้องบินทบาทผลที่สุดก็เอามาบ้าน อ, าออกมาบัานผู้ออกมาบ้านผู้ก็มาถึงสก ล, ลคนครถ้าก็ละขันละสังขารเป็นอนว่าหลวงปู่มั่นไม่บินทบาตไม่กี่วันตามที่หลวงปู่ล่าท่านพูดให้หลวงพ่อฟังนะถึงได้มาพูดถึงองค์หลวงตาหลวงตาท่านก็บินทบาททุกวันถึงท่านจะบินทบาทไม่ได้ท่านก็ฉันด้บา พอมาเนี่นก็มีบาทของท่านก็มาวางไว้ท่านก็ฉันในบาทแล้ถึงจะว่าเกิดจะว่าวันละสังขารเนีเลยล่ยอายุถึงเก้าสิบกว่าปีแต่ลูกตาเนี่ยท่านงดบินทบาทอายุประมาณจักเก้าสิบสองหรือเก้าสิบสามหรือเก้าสิบสี่ประมาณนี่แหละพอเหตุไรท่านก็ให้เหตุผลหลวงพ่อก็เข้าไปกราบท่านท่านก็บอกหลวงพ่อโดยมากตอนไปถึงท่านก็ไปกราบท่าน ไปนั่งสองต่อสนะองแล้วก็พูดให้ฟังเออเราไม่ได้บินท่าบาทนช่วงนี้เพราะว่าเราไปบินทาบาทเราพิจารณาดูแล้วมันไม่คุ้มกันเพราะเรามันกําลังมันอ่อนมากมันตกมากเวลาเราไปบินท่าบาทคนก็ใส่บาทก็เยอะอีกวันหนึ่งเป็นเกือบเป็นร้อย ร้อยสองร้ยร้อยกว่าบางทีเกือบสองร้อยเทบาทออกท่านนับถึงขนาดนั้นนะเป็นร้อยสองร้อยแต่นี่เวลาคนมาใส่บาทบางคนก็อยากจะได้บุญมากใส่น้ำเป็นแผลกใส่นมเป็นแผกใส่น้ำเป็นแผล ก, กใหญ่ใหญ่ใส่ในบาทของท่านพอใส่ของท่านท่านอายุมากถึงขนาดนั้นก็เอียงเ่ยถล่าอ่ ะ, อะ จะไปให้เขาใส่ก็ไม่ได้เีนี้เพราะมันบางขวดมันเยอะเนี่ยพอยกใส่เข้าไปเขาก็อยากได้บุญมากค่ะขวดหนึ่งก็ให้พอ่อขวดหนึ่งก็ให้แม่ขวดหนึ่งกให้ปู่ให้คุณขวดหนึ่งก็ให้ยา่าขวดหนึ่งก็ให้ตาให้ยายก็ว่ากันไปเดีนี้ในใจ อ, อพอใส่เข้าไปเซ่เลยเดีนี้เออเส่ถลําเลยเออบางทีก็ลับทันไม่ทันถ้านอ๋บางทีใส่เสร็จแล้วก็ต้องมองออกไปข้างนอกเพราะมันจะเป็นลมนะครับ เพราะนั้นเรามาพิจารณาดูแล้วถ้าเราบินทบาทมันคงจะไม่คุ้มค่ากันเท่าเป็นลมล้มสุดอยู่ตรงจุดนั้นอ่ะมันดูดูแล้วก็เหมือนกับเราไม่รู้จักประมาณตนเพราะนั้นเราจึงงดบินทบาทแต่ท่านมีเหตุผลของท่านนะท่านจึงเราจึงไปบินทบาทไปฉันหยุดเราจึงไปเดินจงกรมเวลาหมูไปบินทบาทเราก็ออกจากกุฏิเป็นเดินจงกรมคอย เดินยงกรมกลับไปกลับมาเปลี่ยนอริยบทใครเขาว่าท่านออกจากกุฏไปเดินยงกรมซะกอ่อนเดินหมู่ก็ไปบินทบาทพอบินทบาทเสร็จแล้วก็ได้เวลาท่านก็ดูนาฬิกาท่านนาฬิกาของท่านเน่ยติดตัวตลอดได้ลงตาถึงอายุมากขนาดนะั้นถ้าก็มองนาฬิกาท่านพอได้เวลาท่านก็เดินร้อมรอม้รอมมาจากกุฏิของท่านออกมาจากทางได้นโยงกรมออกมาได้วพวกพระกอดรับนั่นแ่ะ ขนาดนั่งกเ็เถิดศรัทธาญาติโยมเลยนั่ ง, งคอยเป็นแถวตามทางที่หลงตาเดินออกมาถวายเช็ดถวายปัจจัยถวายใบปรรณาคืออยากจะเข้าไปใกล้ท่านเแต่ขนาดนั่งกเ็เถิดก่อนที่จะมาถึงที่ฉันได้ก็ใช้เวลาพอสุ่มควรอยู่ต่อมาเดินออกมาไม่ได้ท่านนั่งรถก๊อปออกมาเพราะเดินลําบากเพราะเท้าท่านเป็นแผลเนี่ยต้องนั่งรถก๊อปออกมาก็คนก็ จะมาทําบุญกับมือใส่กับมือของท่านถาวายเช็ค ก, กับมือของท่านท่านกวาผพาเดตนาวางแล้วก็ถาวายแล้ว่าใส่กระดาษที่ท่านยื่นออกไปเขาก็วางที่กระดาษที่ท่านยื่นออกไปคือสรุปแล้วก็คือใครๆคก็อยากจะไหวกับมือท่านถ้าว่าท่านนั่งเข้ามานั่งแล้วพวกที่ล้อมรอบพวกที่อยู่ไกลก็เข้าไปไม่ได้ เพราะว่ามีคนล้อมรอบอยู่แล้วคือสะดวกที่สุดคือคือท่านออกมาจากกุฏิของท่านได้กราบได้ไหว้ท่านถาวายกับมือท่านนะก็ยกมือไหว้ท่านท่านก็ได้เห็นไกลๆว่าเป็นใครรู้จักมักคุจจ้นญาติโยงแต่ท่าว่าเข้ามานั่งศาลาแล้วกันน่นไปนั่งอยู่ไกลเข้ามาใกล้ไม่ได้เพราะนั้นผู้ที่มาคอยทาบุญกับท่านนะคอยตามถนนที่ท่านลงมา อันนี้ก็คือส่วนหนึ่งแต่พอมามาแล้วท่านก็ฉันเออมานั่งฉันท่านก็เอาบาตรมาแล้วก็ฉันบางทีท่านก็ฉันนั้นฉันทีนึงบางทีบี่จับจับตามภาษาผู้เฒ่าฮะนี่แหละท่านฉันช้อนพูกง่ายง่ายแต่สมัยก่อนไม่แล้วสมัยหลวงพ่ อ, อยังอยู่ใครก็ตามซะถ้าชดช้อนคือมาท่านตาเหลือบเออท่านมองเลย หนีนะท่านองค์นี้นะจะมาเห็นแก่ปาก่าแก่ลินจะมาหาชดช้อนให้เราเห็นแถวนี้เหรอมันจะมาหากินชดช้อนชดซ้ายชดขวาแถวนี้เหรอเห็นไหมเราพระธรรมมองไหมหนีนะไขอย่าไปกาหลวงพ่อในองค์หนึ่งแล้วขณะทุกวันนี้จะไปบางทีจะจะชดช้อนยกขึ้นมาแล้วยังคิดถึงหลวงปู่ล่าคิดถึงหลวงตาตลอดเพราะไม่ใช่ปฏิปทาแนว แนวทางของท่านแต่หลวงตาเมื่ออายุมากแล้วท่านท่านก็ต้องฉันเพราะฉะนั้นหลวงพ่อว่าพวกเราที่เป็นศิษยานุศิษย์ทั้งหลายเนี่ยปฏิปทาของหลวงตาท่านก็เคยพูดเอาไว้ว่าอย่างไรงล้งปู่มั่นท่านพูดยังไงในปฏิปทาละองหลวงตาท่านพาดําเนินอย่างไรมีทั้งวิดีโอด้วยมีทั้งเทปด้วยมีทั้งหนังสือด้วยท่านเขียนท่านบอกเอาไว้ เราจะยึดแนวแถวไหนเราจะยึดเมื่อท่านอายุแก่มากแล้วใช่ไหมเออถ้ายึดแก่บ้างแล้วขนนั้นท่านไม่ได้บินธบาตไม่ต้องบินธบาตก็ได้เออเออแล้วก็ิ้งบาทก็ได้ อ, อฉันเฉยๆอิกมเฉย ๆ, อ, ๆอิ่มแล้วก็พอแล้วจะมีอะไรอย่างนั้นใช่ไหมหรือว่าจะยึดแนวปฏิปทาของหลวงตาพาดำเนินสมัยท่านเป็นพระน้อยพระหนุ่ม ท่านพาดาเนินอย่างไรเราก็น่าจะเราอายุเท่าไหร่เดี๋ยวนี้อย่างอายุหกสิบปีหลวงพ่อเข้าไปหลวงตาประมาณนี้นะประมาณเจ็ดสิบหกสิบเจดสิบเนี่ยนหะลวงพ่อเขาไปอยู่กับองค์หลวงตา2512้าิบสองให้พวกเราคำนวณดูก็แล้วกันว่าอายุหลวงตาเท่าไหร่ถึงกุติคิดคิดดูก็แล้วกันว่าเมื่อหลวงพ่อเข้าไปในะปี2512นหะ้าสิบสองนหลวงตาอายุเท่าไหร่ หลวงพ่อว่าขนาดหลวงพ่อทุกวันเนี่ยนะท่านยังรักษากฎระเบียบอย่างเฟี้ยวเลยเพราะท่านหลวงพ่อเขาไปศึกษานะไม่เคยเห็นวเว้นเสียแต่ท่านจะไปทางไกลนะท่านจึงฉันในชำรับวันนี้เราจะท่านจะลงกรุงเทพอจะเดินทางแต่เช้านะเขาก็เอาอาหารมาหลวงพ่อเนี่ยเป็นคู่จัดอาหารถวายท่านเออวันนั้นท่านก็ฉันชารับกับข้าวฉันในช้อนฉันช้อน จากนั้นท่านก็รีบขึ้นรถไปเลยพอเดินทางไกลลงกรุงเทพสมัยนั้นทางก็ไม่สะดวกมีรถบ m เอมของคุณโชลิตร้านขายยาโชลิตสมัยนั้นเป็นผู้รับหลวงตาลงไปกรุงเทพเนี่ยอันนี้เราก็ได้จัดจากนั้นมาไหมแหละหลวงตาฉันในบาทตลอดเข่งคัดอีกต่างหาก พอฉันยังหันแล้วไม่พูดไม่คุยต่างหากกลมหน้ากลมตาฉันฉันด้วยความระมัดระวังฉันด้วยความสวยงามอีกต่างหากลงตาฉันฉันแบบมีสติสัมปชัญญะไม่ลุกลี่ลุกลนในฉันแล้วไม่พูดถ้าเห็นใครพูดในขณะที่ฉันไม่ได้ดุทันทีเลยถ้าเห็นใครชดช้อนไม่ได้ขณะท่านไปเห็นวัดหลวงปูส่สิงทอง เอ๊ะมันยังไงมันเห็นพระทาไมสดซ้ายสดขวานมันขวางตาเรานะ่ะไงมันไม่ใช่แนวแถวของหลวงปู่มันปฏิปทาพระกรรมฐานนะออันนี้ก็คือท่านพวกให้พวกเราบางที เ, เทศบางกันเนี่ยเราจะได้ยินเนีย่ยเทศเก่าๆ น, ะนี่แหละอันนี้ก็คือแนวแถวของหลวงตาเราอย่าไปยึดบุคคล ไม่ใช่ว่าบุคคลนี้ทำอะไรถูกหมดทำอะไรดีหมดไม่ใช่อย่างนั้นเรายึดต้องยึดแนวแถวที่ว่าปฏิปทาพ่อแม่ครูอาจารย์พาดําเนินมาอย่างไรอย่างเรานับถือพระพุทธเจ้านับถือพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจา้จานับถือพระพุทธศาสนานเราก็ต้องนับถือว่าปฏิปทาของพระพุทธเจ้าพาดําเนินอย่างไรพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าน่ะท่านสอนอย่างไรเราต้องยึด ทำคําสอนเป็นแบบฉบับเป็นต้นฉบับเป็นแนวทางเป็นยึงเครื่องยึดเตี่ยวไม่ใช่เรายึดตัวบุคคลบุคคลนะ่ะมันยึดไม่ได้บุคคลคนนี้ถึงจะดียังไงก็ยังมีกิเลสอยู่ไม่รู้จะพาถลําไปทางไหนเราจะยึดตัวบุคคลเนี่ยพพาไปนระกไม่รู้มากต่อมากแล้วถ้ายึดตัวบุคคลถ้ายึดหลักทำคําสอนยึดกฎระเบียบพระทำคําสอนของพระพุทธเจ้า นั่นแหละนีดจะความเจริญทางด้านจิตใจทีนี้เรามาพิจารณาดูซิว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยอายุ8ปดสิบปีพระองค์ปรินิพานไปฉันที่บ้านนายจุนทะกมานบุตรท่านจะได้บินทบาทหรือไม่อันนี้เรายังไม่ทราบแต่ท่านมีบาทไปด้วยพอฉันอาหารเสร็จแล้วก็เดินทาง มาถึงแม่น้ํากุกกกุกทันทีพระนรนได้นําบาทของพระพุทธเจ้าไปตักน้ํามาถวายพระพุทธองค์ไปตักครั้งหนึ่งมันขุนไปตักครั้งที่สองน้ําจึงได้ใสแต่มานําถวายมาพระพุทธเจ้าฉันฉันน้ําพระพองค์หิวกระหายน้ํำหิวกระหายพระพองค์ทําไมกิงหิวท่านหมดกิเลสทาไมหิวกระหาย เหมือนกับร่างกายเหมือนกับรถพอมันวิ่งไปแล้วจะนี่มันวิ่งไปไกลมันรถนะนมันหมอ่ลุ่วอะไรสุดแท้แต่นอะน้ํามันหมดอน้ํามันหมดรถรถมันจะไปไม่ได้รถมันร้อนถ้ากับว่าอานน์ไปนําน้ํามาเติมรถหน่อยแต่พูดอีกแบบหนึ่งนะอานน์ ไปนำน้ำมาเติมรถหน่อยรถมันร้อนแล้วรถไปไม่ไหวแล้วอันนี้พระไทยใจของพระองค์ท่านก็ไม่เดือดร้อนแต่ว่ารถมันไปไม่ได้แต่โซเฟอร์นะ่ะโซเฟอร์ให้บอกบอกให้คนไปนำน้ำมาเติมรถแต่โซเฟอร์ก็คือโชเฟอร์รถก็คือรถนี่แหละวันปรินิาพานพระองค์ยังมีบริขารพร้อมบริบูรณ ยังมีบาดฉันเสร็จแล้วก็เดินทางฮะนี่แหละอันนี้เราต้องนํามาวิเคราะห์นํามาคิดนํามาพิจารณาแนวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดําเนินอย่างไรพวกเราควรจะยึดตามแนวแถวนั้นจึงจะถูกต้องนะไม่ใช่ว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์หล่วงรับดับขันไปอกองไฟยังไม่ดับตัวเองพวกเราท่านทั้งหลายลูกศิษย์ลูกหากระจุยกระใจใย แสดงฤทธิ์แสดงเดชไปคนละทิศคนละทางกระจุยกระจายกันไปใช่สมัยก่อนอาจจะไม่มีหลักฐานแต่ทุกวันเนี้วีซีดีถ่ายภาพถ่ายรูปเอาไว้พ่อแม่กุญาจย์พาดําเนินอย่างไรสมัยเป็นพระน้อยพนมกิริยามารยาทท่านแนะนําสั่งสอนอย่างไรความเด็ดเดียวของท่านอย่างไรอย่างนี้พวกเราในฐานะสิทธิลูกหลานทั้งหลาย ถ้าผู้หวังความเจริญรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนารุ่งเรืองทางด้านจิตใจแล้วก็ให้ยึดแนวปฏิปทาของท่านเว้นเสียจากพวกเราบวชเข้ามาเพื่อเลี้ยงชีพเพื่ออยู่เพื่อกินอ ย, อยู่เป็นวันๆไปถึงจะเลี้ยงขนาดไหนก็นเลี้ยงเถอะเลี้ยงร่างกายเนี่ยมันไม่ใหญ่ไปหน้าหรอกมีแต่มันจะแก่มันจะเท่าไปเรื่อยๆผลทีถ่ถึงจุดจบ เ, เพราะนั้นเลี้ยงพอประมาณก็น่าจะพอนะ ในวันนี้ได้บอกกล่าวแนะนำเป็นแนวความคิดหนึ่งให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษ า, าต่อนนี้ไปรับพร